เรื่องภิกษุเปลือยกายสมัยนั้นพวกภิกษุเปลือยกายไหว้ภิกษุเปลือยกายพวกภิกษุเปลือยกายไหว้ภิกษุไม่เปลือยกายพวกภิกษุเปลือยกายให้ภิกษุเปลือยกายไหว้ตนพวกภิกษุเปลือยกายให้ภิกษุไม่เปลือยกายไหว้ตน พวกภิกษุเปลือยกายบีบนวดภิกษุเปลือยกายพวกภิกษุเปลือยกายใช้ภิกษุเปลือยกายบีบนวดพวกภิกษุเปลือยกายให้ของแก่ภิกษุเปลือยกายพวกภิกษุเปลืยกายรับประเคนพวกภิกษุเปลือยกายเคี้ยวพวกภิกษุเปลยกายฉันพวกภิกษุเปลยกายลิ้มรส